สังขารก็อํานวยให้เราได้มีโอกาสฟังธรรมมีโอกาสรับรับแนวทางแห่งธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วเราก็ศึกษาคือหมายความว่าเรียบเรียนเหตุผลเมื่อเราเรียบเรียงเหตุผลแล้วตอนนี้เราก็ปฏิบัติธรรมคือทําตามเมื่อทําตามแล้วเราก็จะเห็นมรรผลของเราเอง การไม่ยึดถือก็ทำให้ไม่เกิดกรรมการยึดถือทำให้เกิดกรรมเช่นอย่างเขาว่าแล้วรา้ก็ว่าเขาเขาติดแล้วแล้วก็ติดเขาเขาโกรธแล้วแล้วก็โกรธเขา้าอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นกันชัดชัดอยู่เพราะนั้นคาว่า สุขอะไรที่ใหญ่ยิ่งสุขความจริงที่จิตพ้นจากอารมณ์และตัวการทำไม่ใช่ของธรรมดาถ้าเราฟังอาจจะเห็นเป็นของธรรมดาการดูพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านหลุดพ้นไปเนี่ยเป็นที่เป็นประธานเป็นที่กราบไหว้บูชาของหมู่บัณฑิตทั้งหลายที่มีปัญญา หมู่บัณฑิตเหล่านั้นก็จะเอาตามเอายิ่งอยากทําตามอย่างเนี่ยงเราเนี่ยก็าอยากกรตามองค์อยากกระทำลอยองพระรละหันคือตทำลอยพระพุทธเจ้าแกะลอยพระพุทธเจ้าค่อยๆทาไปยังไงยังไงก็ประคับประคองชีวิตไปไม่ล่วไม่ลน เจอบุญแล้วก็ตักทวงบุญเจอบารมีแล้วก็ตักทวงบารมีเจออารมณ์กรรมแล้วก็ลดละกรรมอะไรอย่างนี้ก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะผู้ไม่ประมาทขึ้นแต่ก็ยังมีคนอีกมากมายกายคล้องเป็นแสดเป็นล้าเป็นเป็นโกรธเป็นกับกับที่ยังมีความยึดถือกันอึดลันไปหมด ทีพระนี้ไม่ชี้ญาโยมนี้ก็ยังมีความยึดถืออะไรกันที่มันไม่ชอบนาภากลหรือไม่ถูกเรื่องถูกราวล้วมีอีกเยอะที น, นี้ไอความยึดถือตัวนี้อ่ะมันขึ้นอยู่กับปัญญาของของเราด้วยที่เขาเรียกว่าเรายึดถือในลักษณะอะไรเป็นคุณเป็นปัญหาเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือเปล่า เป็นคุณเป็นโทษขนาดไหนต้องเป็นปัญญาของเราพิจารณาเองเพราะความยึดถือนี่เป็นเรื่องของจิตไม่มีใครเข้าไปสอนจิตให้เราไปยึดถือแต่ว่าเราไปยึดกันเองแต่นี้บางทีเรายึดกันแบบไม่ได้พิจารณายึดกันแบบไม่ได้ไม่ได้พิจารณาว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษ มันก็เลยทํำให้เราทําไมเราเราวางไม่ได้ทำไมเราระเมว่าไม่ได้เพราะเราไม่พิจารณาถึงคุณลโทษนี่อย่างลุงอาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ลุงอานี่ศักดิ์สิทธิ์นะลุงอาก็ไม่รู้ก่าศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่เห็นมีอะไรเลยในตัวคาถาอาคมทั้ตัวก็ไม่เคยกล่าวเครื่องรางของขังอะไรก็ไม่เคยมี ผีป่าตาารที่ไหนก็ไม่เคยไปอารัตนาหรือไปวิงวอนอหไอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เฉยๆทำตามทำเรื่อยๆไปสวดมนต์ไหวพระภาวนาไปอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องเรื่อง ปรามัดทำต่างๆที่แขวนอยู่ตามต้นไม้ก็ดีที่พระท่านเผยขึ้นมาก็ดีมันเรื่องเรื่องความจําเป็นสําหรับคนที่เป็นอัศนีแต่คนที่ยังไม่เป็นอัศนีนั่นก็ยังไม่มีความจําเป็นเหมือนอย่างที่ ข้างหลังอเงี้ยชื่ออเงี้ยทีฟังกรอักษรสูงพอบครูสมบัติไปไม่ได้ถ้าเป็นบัณฑิตเป็นอัศนีรู้ทันทีเลยว่าถ้าจะตว่าถ้าจะเดินตามทางพระอรหันต์ต้องไม่ยึดถืออะไรชื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชื่อสามัญธรรมดา ไม่ใช่ชื่อในมีหรือในมาหรือนางมีนางมาอะไรอย่างนั้นคำว่าพระพุทธเจ้ามีความจำเป็นสำหรับจิตที่เป็นอัศรีแต่จิตที่ยังไม่ถึงก็อาจจะพูดพลอยๆพระพุทธเจ้าพระธรรมเจา้าพระสงฆ์ก็เจา้าอะไรพูดพลอยๆ แล้วไม่คิดถึงคำว่าพระพุทธเจา้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจา้า mm. เขาเรียกว่าจะน้อยนา mm. เขาเรียกว่าพูดและไม่คิดพูดและไม่พิจรารณาพูดและไม่มีเหตุมีผลก็เลยไม่ได้เรื่องในลาวอะไรในคำพูด น้อยคนนักที่จะซึ้งคาว่าพระพุทธเจ้าน้อยคนนักที่จะซึ้งคาว่าพระธรรมน้อยคนนักที่จะซึ้งคาว่าพระสงฆ์ถ้าคนไหนซึ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนนั้นน่ะจะเป็นองค์ขึ้นในโลกหรือในจั ก, กรวาลเขาก็จะมีลักษณะอะไรหนึ่งเป็นผู้รู้ ด้วยสัจจของกระแสจิตสองเขาจะเป็นผู้มีเหตุผลที่เป็นสัจจในกระแสจิตสามเขาจะมีแนวทางที่ปลอดภัยหรือว่ามีเหตุผลด้วยสัจจของกระแสจิตเขาจะเป็นเป็นองค์ขึ้นในจักรวาล ฉะนั้นเราเป็นเราเป็นผู้ที่เหมือนชั้นเราเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นไหนชั้นเหลนชั้นหลนถ้าตามเรือญาติของโลกเขาเรียกว่าชั้นชั้นเหลนชั้นหลนคือไม่ใช่ชั้นลูกชั้นหลานอย่างในน้อยนี่เราก็ผ่านพ้นพุทธองค์ 2,500 กว่าปีไม่ใค่ใกล้ดูตัวเลขแล้วก็มากมายกายกอง 2,000 กว่าปีชีวิตของเราไปเกิดเกิดตายสลับซับซ้อนในเรื่องของการใช้สังขารสารพัดรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่ก็มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสังขารจะมีประโยชน์สำหรับกระแสจิตตรงนี้ถ้าเลียงลายกระแสทำให้ดีถ้าถึงตรงนี้ยังเลียง้ายไม่ถูกเราเขาคงจะแย่สังขารเราเขาคงจะทับถมกันเหมือนกับกองปืนเหมือนกับภูเขาทาถูกต้อง ตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเ็เรียกว่าใช้สังขาญเปือนช น, นิดท่านนั้นก็อยากจะคนเตือนผู้ปฏิบัตนะิทุกคนนั่นแหละทั้งตะนีเมชีญาโจนนะบาสุบาลิตนาะมันพิจารณาให้มันดีๆยกตนของตนให้หมาห้ถกต้อง ถุกส่วนไอ้สงก ว, ว่าเราม า, าถึงพระพุพะทธธรรมประสงค์แล้วถึงทางแห่งสัจธรรมแล้วตามหลักเขเรียกว่าถึงท่าป่าช้าสองข้อที่หนึ่งก็เรียกถึงท่าป่าช้าสอง เราจีกระสับสงเรื่องอะไรของอะไรไปในกระแสจิตที่สอนนี่ก็คือจิตสุรังคนางลคดีโลกคดีธรรมเ ร, มเร า, า, เาเรียอเคีย่อนขัว้วสุดท้ายเลยคือเรียกว่าได้เยี่ยงอย่างพัฒดาผู้ปฏิบัติ ต, ต้องช่วยเหลือตัวเอง ไมพระเก่าไม่ชี้หม่ไม่ชี้เก่ายมไมุ่ยมเก่านะอย่าประมาทตรเองทำาะไไปตามเรื่องราวของผู้มีปัญญาถ้าทำดีก็อาจจะพ้นกรุงสามหาวถ้าทำให้ดีก็อยู่ในกรุงสามหาวกวเนี้ สามหาวนี่หมายถึงอารมณ์ตัวกระทำถอดพ้นกรงสามหาวไปได้ห้าห้าห้าสวรรค์ผีดูสิดาวบดึงเป็นที่พักสาหรับหัศนีต้องเป็นหัต ส, สนีจริงๆคือบางจริงๆดูสิดาวดึงเป็นที่พักครั้งสุดท้าย ยุติการเกิดชั่วขณะเขาเรียกว่าทางเผือกเลือกทางเกิดไปแล้วสำหรับคนที่มีความมั่นใจที่จะขยับขยายอัตตาออกจากจิตกันอย่างจริงๆคือบางเหลือแต่ที่ฝุ่นเล็กเล็กน้อยที่เกาะกระจกนี้เท่านั้นคิจิตนั้น แคทีเดียวกระจกอันนี้ก็ใสแล้วหมายถึงเกิดอีกครั้งเดียวจิตตรวนี้ก็จะเป็นหั ส, สนีที่เต็มขั้นเขาเรียกว่าเป็นองค์ผลาะไม่รู้ว่าในในในสัตวษที่หนึ่งที่สองที่สาม เรื่อยๆไปเนี่ยการถ่ายทอดธรรมะแห่งแห่งโลกุตตระจะมีเป็นเป็นสัตวัดคือมีไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดสัตวัดหนึ่งหมายถึงร้อยปีจะมีการถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆในในในร้อยปี จะมีใครไหมที่ถึงชั้นดุสิตดาวดึงที่เรียกว่าช่างเผือกเลือกทางเกิดดังมาเคยเคยเห็นมาแล้วบวดเจ็ดวันเท่านั้นแหละท้ามเผือกมาเลยสัมผัสมือกันเราพบกันตามสัญญาแห่งโลกุตละ ชางเผือกที่ไปดูอริยสัจสี่คือพาไปศึกษาเรื่องราวอริยสัจสี่ไปดูเรื่องราวของช่างเผือกช่างดำแปลสภาพออกมาเป็นคนรู้คนไม่รู้คนที่มีความจริงใจต่อธรรมจริงใจต่อจิตของตนเอง เขาจะลอยเขาเรียกว่าลอยข้ามจากโอขะคือสิ่งที่ติดขัดสามประการโอขะนี่หมายถึงลักษณะโลกลดล ง, งเขาจะลอยข้ามพ้นไปเคยเห็นน้ น, นจะมีช่างเผือกลอยสะเชือก คือนานๆจะเห็นทักคนอยู่ๆก็ลอยไปแต่ไม่ใช่เข้าสู่นิพพานแต่เขาเหล่านั้นสถิตยอยู่ที่ดาวดึงุษิศกระจกที่ถูกขัดที่ถูกเจรไนก็คงจะถูกเช็ดอีกครั้งสุดท้าย เหล่าเหมือนกันเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนเหมือนเราทุกคนเนมันเช็ดกันให้ดีดีมันขัดเนี่ยคำกล่าวที่เคยชินกันแล้วนะขอพระธทรรมคำสั่งสอนของของค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดนำแก้วสามประการของข้าพเจ้านี้ขึ้นสู่พระนิพพานกล่าวกันอย่างนี้เช้าค่ำเช้าค่า หรือบางทีก็ไปกล่าวอยู่คนเดียวเงียบเงียบหรือบางทีก็กล่าวอยู่ที่บ้านบางที ก, ก, ก็ไปกล่าวกันอยู่ในกรดไปกล่าวกันอยู่ในทุดดงสารพัดนะ่ะที่จะไปกล่าวกล่าวแล้วทำหรือเปล่าขัดจริงหรือเปล่าขอแล้วเอาไปใช้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเารียกว่าเสี่ยงบุญนะนะเสี่งบุญบรารมีกัน เอาทุกคนในเสียงทั้งนั้นเลยล่ะเขรวันเดินอยู่มบไม่ไผ่ลำเดียวถ้าเป็นมันชฌิมาปฏิปทาของกระแสจิตคงจะไม่หกลม้มคงจะไม่ไม่ตกถ้าจิตโอนเอียงเอียงไปเอียงมาเอียงมาเอียงไปประของตัวไม่อยู่ก็หล่นบางทีเป็นเป็นนักบวชคิดว่าโอ้ ผมสบายแล้วผมเป็นนักบวชบวชตลอดชีวิตผมไม่ทําททำอะไรอารมณ์ก็ไม่ลดนิสัยก็ไม่ลดมีหนำซ้ำยงเห็นกปกินกันอนมีน้ำซ้ายมาสะสมปัจจัยสี่เข้าของเงินทองนี่เนี่ยตกไปแล้วตกไม้ไผ่ลาเดียวไปแล้วดูไม่รู้ตัวคิดหลือว่าพานเหลืองเนี่ยที่บวชตลอดชีวิตเนี่ย จะพาลรา้ามพ้นการข้ามพ้นต้องติงใจต้องแน่นอนพระุเจ้าจะบอกให้เข้อคิดไปแล้วนะ่ะจับตนค้นตนหาเหตุหาผลให้ตนกระทําต้องหาเหตุหาผลให้ตนกระทํานะไม่ใช่ให้คนอื่นเขาทําอย่ามัวไปหาเหตุหาผลให้คนอื่นเขาทำเดี๋ยวก็กลายเป็นลดบทเรียกว่าลดบทถนนอนะ่ะ เห็นหมละที่เขาทำถนนเลยเวลาเขาทาบทไปบทมาบทมาบทไปบทท่าทางเลียบเลยพอทางดีแล้วเขาก็ไล่ลดบทไปอยู่ข้างล่างลถ ด, ดีๆเขาก็หมุวิ่งนี่ทา่ทานทำเสร็จแล้วนะทาํทาเี่ยเดินเส่นนี้นะเนี่ยเหมือนเราสอนนะทําดีๆนะสอนให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จ แ, แล้วเราไม่ทำนั่นแหละเราหวัง ก็ อ, อยังไงอ่ะก็อย่าประมาททุกฝ่ายหลไม่ว่าจะเป็นทั้งปวดหรื อ, รอญาติโจมอย่าประมาทไปเด็กขาดถึงจุดนี้แล้วนะถ้าไม่ถึงจุดนี้เนี่ยไม่พูดเหมือนอย่างพระุองค์ท่านบอกว่าผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในเขตขององค์พระปฏิมากรดินฟ้าอากาศลุกลี้ลุกลนที่จะช่วย คือจะคลี่ครายเหตุผลให้เกิดขึ้นในวันในกระแสจิตของพระเนมเชียร์ญาตโยมบางทีเราก็มีเหตุผลมีมีธรรมดีเกิดขึ้นใจแต่เราก็ไปสอนเขาคนนั่นตรงนี้คนนี้คนนั่นสอนเขาเสร็จแล้วเราก็เฉยนะเราถือว่าเรามีเหตุผลดีเกิดขึ้นในใจแต่ที่ไหนได้เป <messaging> ็นท่าเขาเป็นที่ลื่นไหลสําหรับให้คนอื่นเราก็เสียท่าเลยกั่นเอ เหมือนกับล้างน้ําฝนหนึ่งอย่างเป็นล้างน้ํารองน้ําใส่โอง่งแล้วใครกินเหล้ากินล้างกินหรือเปล่านี่เนี่ยจิตที่ถูกลื่นไหลโดยเหตุผลสอนคนอื่นแต่ตนไม่ทําจะเป็นท่าจะเป็นท่าทำเขาเขาเรียกวเป็นท่าเหตุผลของเขาทให้ลื่นไหลต่อไปพอไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่ไหนได้ตกตะลึงเลยอ๋โหนี่เราเป็นท่าให้คนเดินทแทนเลยระวังนะลุงอาก็ทักทวงได้อย่างเนี้ก็เตินปติกันอย่างนี้อแต่ว่าใครจะทําถึงยังไงทําอย่างไรก็เป็นอัตตาหิหรือเป็นปัจจติตังสําหรับตนละบัญชีโลกบัญชีธรรมอยู่กับเราไม่ใคยอยู่กับลุงอา ไม่มารับรู้ลับแจ้งเรื่องราวของใครทําอะไรทําดีทําชัว่วทําอย่างไรบุญบา ร, รมีแค่ไหนไม่ได้มารับรู้บัญชีเขามีอยู่แล้วธาตุสีกันห้าวิญญาณที่เขาจะแปลไปเป็นสันตโลอีกครั้งหนึ่งหรือไปเป็นมหาธาตุขยายภาพการกระทำความประพฤติหรือตัวกระทําอารมณ์กรรมของเราอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเงา เห็นเขาเห็นเงาจะเห็นเล่าทั้งสองวินัยอะไรไม่ใหญ่ยิ่งเท่าเท่าวินัยแห่งดินฟ้าอากาศดูสิเนี่ยคนมีสินหาสินสิบสินสองรอยีิบ็ดน่ตัวบาปโปรแกรมกันไหมมีจดถาบันดาสัตว์มีเงินมีทองมีทรัพย์สินมากมายกายกองมีสินมีธรรมกันไหม สามารถควบคุมกําหนดการกระทําหรือว่าอารมณ์กรรมตัวกระทําได้ไหมมันเป็นเรื่องเคยชินแล้วมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้เรามาถึงตรงนี้เรามีวินัยคือดินฟ้าอากาศเ้าเรียกว่าองค์มิหัศสไนคอยดู ครดูคอยแลคอยดูเราทําแต่เขาจะไม่ทักไม่ท้วงเหมือนอย่างกท่ า, า, าถ่ายภาพอะถ่ายท่าไหนแล้วบอกมาที่ซ้ายขวาหน้าหลังถ่ายได้ทางนั้นขอให้บอกกันแล้วกันจะทําท่าไหนก็ถ่ายให้ได้เนี่ยเหมือนกับเราที่ทําอะไรกันไว้ในโลกนั้นเราก็จะต้องไปถูกอัดถูกขยายภาพ นั่นแหละเราจะดีใจหรือเสียใจกันตรงนั้นเราจะหนีไม่พ้นเลยในสิ่งที่ตนทำอะไรไปเพราะฉะนั้นดินฟ้าอากาศเป็นวินัยที่ดีที่สุดถึงวินัยแห่งพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องเข้าใจถึงว่าเรามีดินฟ้าอากาศเป็นวิ น, นัยการทำอะไรก็ต้องเกรงใจดินฟ้าอากาศระมัดระวังเกรงใจเขา จะกินจะนอนจะพูดจะจา่าจะทำอะไรก็ให้เกรงใจวินยัย เ, เกรงใจดินฟ้าอากาศตอนนี้เรามีวินัยของนินฟ้าอากาศเรามีวินัยของตัดจะทมหรอมีธรรมะควบคู่กันไปนะหนึ่งมีธรรมดีสองมีคนควบคุมดีเมนก็เรามีพระพุทธเจ้าดีมีแนวทางดีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดีก็ช่วยไม่ได้แล้ว หรือเรามีดินฟ้าอากาศเป็นคอยดูเราก็ไม่กลัวอย่างเงี้ยนี่ทำดีๆให้เดินก็ไม่เดินอย่างเงี้ยแต่ช่วยไม่ได้แล้วตอน น, นั้นเนี่ยสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามาสัมผัสโรบุตรละนะเป็นเรื่องของความจริงเป็นเรื่องของสัจธรรมนะถ้าไม่เชื่ออย่ามากันเลย อยู่ก็ล้อนไปก็ร้อนหรือถ้าไม่เชื่อสัจธรรมพระพุทธองค์เนี่ยนะไม่เชื่อคำสอบพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็อยู่ก็ร้อนไปก็ล้อนอยู่ก็ไม่ทำตามไปก็ไม่ทำตามมันก็ร้อนนี่ร้อนอะไรอะ่ะก็ร้อนเวรร้อนกรรมร้อนอารมณ์ของตนเองก็มาให้อวา่าเตือนกันให้ด้วความเมตตานะ ความสงสารกรุณาปราณีให้ในข้อคติธรรมที่เคยตั้งใจว่าจะช่วยเหลือส่งเสริมและกระแบ่งฟันไม่รังเกียจรังออนไม่มีรังแทรังคับไม่มีอคติไม่เลือกที่รักมั่งที่ชังรักเอ็นดูพระเมชีญาติโยมเสมือนกับข่อเดียวกันผู้ที่ถึงโลปุตระถึงคำสอนข้อนี้แล้วเนี่ย เขาจะไม่ประมาทเล ย, จ ะ, ยจะอยู่บ้านจะอยู่บ้านนี่ไม่ประมาทแตเหมือนล้มโพล่มไซที่มีใบมีก้านมีกิ่งที่งอกงามไพ่บูญณด้วยศิลธรรมคือความเย็นความเย็นก็คือคนที่มีพรหมิหารสีเป็นธรรมะแต่กิ่งก้านสาขาวอไปปกคอง ญาติโยมกลับไปบ้านกัมีความเมตตาต่อครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาพ่อแม่พี่น้องวงวานตาคนาญาติใช้กระแสจิตโดยธรรมะของเหตุผลมีความเย็นขึ้นโดยโท ม, มิหารสี่นักวัวที่อยู่ในศาสนานี้จะมีความเย็นด้วยทรท ม, มิหารสี่เมตตาอาลีญาตโจมไปมาหาสูกา่กับเมตตาอาลีแนะนําสั่งสอนในสิ่งที่ถูกต้องคือเป็นล่มโผลุ่มใส ถึงบอกว่าทาโลกุตลาเนี่ยก็เรื่องว่าคำสอนที่ทําให้โคราถึงเนื้อชินสีจอมพระสัสดาโดยมีปริศนารม ท, ที่เขาเคยบอกเข้าไว้ไตล่าฟ้ายุ่งในกรุงสามหาพึ่งดาวสูงเด่นพึ่งดาวสูงเด่น กายล่าฟ้ายุ่งนี่หมายถึงกายธาตุสี่กันห้าวิญญาณจิตโลกโกรหลงนี่มันยุ่งเหลือเกินพึ่งดาวสูงเด่นนี่หมายความว่าพึ่งรพงตตระพุทธองค์น้ําจิตติดตามพระพุทธองค์นี่เขาเรียกว่าพึ่งดาวสูงเด่นถลาเข้ามาด้วยความจําเป็นคนนั้นมีดีไซน์อดีตมาเมื่อตามพระพุทธองค์ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่ ต่อไปก็ไม่ต้องมาเห็นคนตายไม่ต้องมาเกิดข้องกรรมคือไม่ต้องมาข้องกรรมแล้วไขไม่ต้องมาเป็นทุกข์เเรื่องราวของไข่ไม่ต้องมาเป็นพ่อเป็นแม่ไขรไม่ต้องมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นสิงสารศาสตว์เป็นอวัยวะภูมิก็ไม่ต้องมาแล้วเลิก นี่พูดให้ฟังนี่พูดถึงโน้นเลยนเนี่ยเนี่ยพูดถึงคารน้นทุกข์ว่าถ้าเราติดตามพระเองค์ด้วยกระแสจิตที่ตั้งมันมีศีลธรรมเป็นหลักคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีกิริยาของพระเป็นหลักก็ไปได้ คงจะไม่ห่างเขาพระเจองค์เท่าไหร่แต่ถ้ า, าไม่ต่างอกตั้งใจกันให้ดีๆนะเขาเรียกว่าถ้าพุทธนายถ้าทมหายถ้าสงก็ศูนไปเลย ถ้พุดธนานหมาย ว, าว่าเราไม่รู้เรื่องจิตอะไรเลยไม่รู้เรื่องกรรมอะไรเลยกรรมก็ไม่รู้จักจิตก็ไม่รู้จักอารมณ์ไม่รู้จักคือจิตไม่มีพุทธเลยถ้าทำหายก็คือไม่มีเหตุผลอะไรเลยในการที่เกิดมาเป็นชีวิต ไม่รู้เกิดรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายรู้เวรรู้กรรมรู้อับายภูมิรู้ทุกข์สุขอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยเ<ฏ>ขาเรียกว่าพระธรรมหายหรือพระธรรมน่ายแต่นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงพระสงฆ์คือแนวทางไม่ต้องว่ากันเลยเรื่องกะเรื่องทางดีทางชัวง่วเรื่องทางบาปทาง าทางบุญทางบรารมีก็ไม่ต้องว่ากันเลยจบสำหรับจิตดวงนั้นท่านจึงบอกว่าคนไหนพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยากจะได้ดีแล้วก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงค์แล้วก็พึ่งก็พึ่งใมันถูกต้องพระพุทธในที่นี้นี่หมายถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมะหรือธรรสอนของท่านพระสงฆ์ในที่นี้นี่หมายถึงพระสังโฆโูธิญาณหรือพระอรหันต์ที่ท่านสําเร็จตามพระพุทธองค์ถ้าเราพึ่งทั้งลัตตนาทั้งสามพระองค์นี้ด้วยกระแสจิตที่ประกอบด้วยความศรัท ธ, ธาและปัญญาแล้วเราจะไม่ห่างกันทัน้งเราก็จะได้ดี เหมือนมีอผู้ใหญ่คอยเตือนเราอยู่เอออย่าทำนะนั้นไม่ดีอ้นี่ไม่ดีอ้นั่นไม่ดีตรงนี้ดีทําอย่างนั้นดีะนะถ้าไม่มีใครเตือนเลยเนี้ยก็เป็นเสรีภาพเลยจะทําทอะไรก็ทําไปเลยไม่มีใครตัดใครเตือนไม่มีใครว่าใครกลา่าวไม่มีใครให้เหตุให้ผลอะไรเลย คำเนี้ยที่ที่เราควรจะคำนึงกันให้มากมีทรรมอยู่ในมือควรหรือจะแพ้ทับผับปัญญามีพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์มีคำสอนของท่าน ท, ท, ท, ท, ที่เป็นเหตุผลอยู่ทั้งองค์มีแนวทางที่ใสสะอาดโรงงาสอยู่ทำไมถึงพ่ายแพ้ ทำไมจึงเดินไปสู่ในทางที่ตนเองไม่ชอบอันนั้นเราก็ต้องยึดทมกันละไม่ใช่ยึดเพื่อลาภเพื่อยศไม่ใช่ยึดเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ยึดเพื่อความเสื ย, เอเยอมถอแต่ยึดไว้เพื่อจะนำชีวิตของตนเองให้พ้นจากอารมณ์กรรมหรือตัวกระําให้มีสติธรรมมีการกระทากิจวิญญาณการเกิดขึ้น ให้ยึดแบบนั้นไม่ใช่ไปยึดไปขอข้าวขอแกงคงเบาขอเงินขอทองขอลาบขอยศอะไรอย่างที่เขายึดกันอยู่ฟังทมดีๆก็ได้ปัญญ า, าทำไม่ดีก็เป็นขี้ข่าเขาอีกอยากดีก็อยู่ป่าอยากเป็นขี้่้าก็อยู่มูล อ, อยากวีเรื่องก่อสร้างกรรม อยากนี้อยู่ป่าก็อยู่เฉยๆสิอยู่ในความเงียบความสงบความมีเวกอยู่ในความเฉยแต่ตามภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอยู่ในขั้นอุเบกขาจิตอยากคนนั้นดีแหะรู้จักอุเบกขาอัลล